อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัิคือ 1. 0 2 0งพิกษณีสอนวิชาเขียนหนังสือ 2. ภิพิชณีสอนการท่องจำา3พิชณีสอนภาพรปริษเพื่อคุ้มครอง 4. ภิพิชณีวิกลจริต 5. ภิพิชณีต้นบัญญัติสิขาบทที่10จบจิตตาคารวักที่5จบ